การมีชู้ผิดอย่างไรถึงต้องลงนรกถามการมีเซ็กก็แค่การเอากายไปมีอะไรกันไม่ได้บุบสลายอะไรมากมายทาไมการมีชู้จึงต้องมีโทษถึงนรกด้วยครับตอบคุณไปดูแค่อาการทางกายความรู้สึกเลยผิวเผินและไม่เห็นน่าจะต้องมีโทษอะไรนักหนา แต่ธรรมชาติเขาให้ดูอาการทางใจเป็นหลักครับความสัมพันธ์ทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องบาดใจระดับความบาดใจนั่นเองเป็นตัวกำหนดบาปกรรมรวมทั้งกลายเป็นเครื่องชี้ได้อีกด้วยว่าแต่ละคนมีความละอายต่อบาปมากน้อยเพียงใดคุณต้องเยี่ยมเกลี่ยมเอาการถึงสามารถทำร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมครับ รู้ทั้งรู้ว่าจะทำเรื่องบาดใจเจ้าของคุณยังสามารถทำได้ลงคอก็แปลว่าตอนนั้นจิตใจคุณขาดเมตตาแน่นอนแล้วยิ่งถ้าหากลงมือทำเป็นล่ำเป็นสันทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันก็แปลว่ายิ่งต้องขาดความละอายต่อบาปอย่างชัดเจนจิตที่กระด้างมีความเยี่ยมเกรียมมีปกติไม่ละอายต่อบาปนั่นเองคือจิตข้างอากุศล อัจจะเป็นฝักฝ่ายเดียว ก, กันกับวิญญาณของสัตว์นรกเดรัจฉานหรือเปรตหลังจากกายแตกดับไปผู้ประพฤติผิดทางการมเป็นอาจินจึงเหมาะสมสอดคล้องกับอัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์แค่เซ็กตัวเดียวถ้าเมามันหมกมุ่นมากโดยไม่คิดทำบุญทำกุศลให้จิตสว่างขึ้นมาบ้างจิตก็จะถูกเคลือบคลุมด้วยหมอกหมัวของความหลงใฝตำ่ำ มองโลกและชีวิตเป็นของต่ำมีจิตวิญญาณเหมาะควรแก่อัตภาพเช่นหมาแมวได้แล้วจะกล่าวไปใหญ่ให้ป่วยการถึงการละเมิดศิลธรรมล่วงประเวณีแบบผิดๆเป็นที่สนุกสนานละ่ะสรุปคือเซ็กไม่ได้ทำให้ปานรกแต่จิตที่หมกมุ่นในเซ็กจนมัวมนหยาบกระด้างโหดเหี้ยมหรือปราศจากความละอายต่างหาก เป็นเหตุพาตัวเองไปสู่ภูมิที่อยู่ของวิญญาณระดับต่ำกว่ามนุษย์การมีเซ็กกับคู่ครองที่ถูกต้องโดยไม่ลุ่มหลงโมเมาทั้งวันทั้งคืนจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นปกติคิดอ่านทำการได้อย่างมีสติมีความถูกต้องมีใจไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละสํานึกที่เสมอตัวของมนุษย์ลองสังเกตเธอครับสัตว์ไม่มีสํานึกแบบนี้หรอก แค่อยากขึ้นมาแล้วเห็นช่องทางก็ใช้ได้แล้วไม่คำนึงด้วยซ้ำว่าเป็นญาติเป็นเชื้อกันหรือเปล่าถามจะเอาเกณฑ์อะไรไปตัดสินชัดครับว่าเป็นชู้แล้วผิดประเวณีแล้วตอบ ต้องดูกฎแห่งกรรมซึ่งไม่มีใครเป็นผู้ตราไว้แต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ชั่วกาลนานโดยมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดเผยว่าการเมสส ม, มิชฌาจารย์หรือการประพฤติผิดในกรมนั้นหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่ชายพี่สาวรักษาหญิงที่ญาตรักษา หญิงที่ยังมีสามีครอบครองหญิงที่ถูกซื้อตัวไว้และหญิงที่ถูกจองตัวไว้แล้วด้วยเครื่องมั่นหมายเช่นแก้วแหวนหรือแม้ด้วยพวงมาลัยตามประเพณีท้องถิน่นพูดง่ายๆแบบรวบรัดคือถ้าชายใดไปมีเซ็กกับหญิงที่มีผู้ส่งเสียดูแลอยู่หรือหญิงที่ใช้ร่างเป็นหลักทรัพย์หรือแม้หญิงที่มีเครื่องมั่นหมาย ก็เป็นอันว่าผิดบาปเต็มประตูและหญิงที่ให้ความร่วมมือทั้งรู้ว่าตนมีเจ้าของก็ยอมไม่พ้นผิดไปด้วยเช่นกันเจ้าของเก่าคือผู้ให้กำเนิดผู้ปกครองและผู้ส่งเสียเลี้ยงดูเช่นญาติพี่น้องถ้าหากยกให้กับใครแม้ด้วยวาจาแล้วก็ถือว่าสิทธิ์เปลี่ยนมือทันทีอันนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะทาใจยอมรับ โดยเฉพาะในยุคที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันวิบากกรรมทำให้มนุษย์ไม่มีอิสระไม่มีความเป็นไทยแก่ตัวเองตั้งแต่แรกเกิดหรอกครับสำหรับเรื่องของการมั่นหมายเนี่ยน่าพูดถึงเป็นพิเศษเพราะจะทำให้เข้าใจภาพรวมได้กระจ่างขึ้นการมั่นหมายคือการจองตัวหรือการประกาศความเป็นเจ้าของเพียงด้วยการใช้วัตถุเป็นเครื่องหมายจับจอง อย่างเช่นพวงมาลัยตามประเพณีท้องถิ่นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องทำการเล่นเล่ น, ลนหลอกตาคนอื่นเท่านั้นนะครับในทางธรรมชาติของกฎแห่งกรรมถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีบ่วงแห่งความเป็นเจ้าของคล้องทั้งกายทั้งใจไว้แล้วถ้าให้ผู้มีตาทิพย์มองจะเห็นชัดว่าไม่ใช่คนตัวเปล่าแล้วถ้าไปยุ่งด้วยก็ได้ชื่อว่าเกาะกรรม อัจจะเป็นโทษเป็นภัยในภายหลังแล้วผู้หญิงที่เป็นไทยจริงๆหรือปราสากเจ้าของจริงๆตัดสินใจอะไรด้วยตนเองได้จะต้องทามาหาเลี้ยงตัวเองหรือตัดสินใจออกมาจากการปกครองเลี้ยงดูของใครๆแล้วมีความเป็นอยู่ปรากฏชัดว่าไม่พึ่งพาใครแล้วที่ยุคเราเกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับความถูกผิดทางการกันมาก ก็เพราะดูเหมือนเต็มไปด้วยผู้หญิงที่เป็นไทยแก่ตนเองมีสิทธิเสรีที่จะตัดสินใจอะไรอะไรด้วยตนเองแล้วผู้คนก็เริ่มชาชินกับการมีเซ็ก์ตามอำเภอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ค่อยมีเครื่องหมายประกาศความเป็นเจ้าของกันคิดเพียงว่าแต่งวันไหนค่อยมั่นกันเช้าวันนั้นหลายคู่คบหากันโดยไม่ตกลงให้ชัดเจนว่าจะเป็นแฟนกันด้วยซ้า ประกาศบอกใครๆแบบแทงกั๊กว่าเป็นแค่เพื่อนบ้างหรืออยู่ในระหว่างดูใจบ้างโดยมีวงเล็บว่าระหว่างดูใจก็ขอดูกายให้ละเอียดก่อนอีกประการหนึ่งโดยธรรมชาตินั้นนารีมีรูปเป็นซัพ์จึงใช้ร่างกายแทนหลักซัพ์ได้แม้เป็นไทยแก่ตัว แต่หากขายให้กับใครก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนนั้นเช่นตกปากรับคำว่าเมื่อรับเงินจำนวนหนึ่งแล้วจะอยู่กับผู้ซื้อเป็นเวลานานเพียงใดตราบใดไม่พ้นระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันตราบนั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติต้องห้ามข้อนี้จะทำให้เห็นชัดว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับใครมีสิทธิในหญิงคนนั้น แม้ด้วยการตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันถ้าเข้าใจตรงนี้ดีๆก็จะตอบข้อสงสัยได้อีกมากเช่นคิดว่าถ้าหย่ากันโดยพฤตินัยแล้วคือไม่ได้หลับนอนกันแล้วรอแต่ใบหย่าตามนิตินัยอยู่ถือว่าเป็นไทยหรือไม่ต้องตอบว่าอย่างนะครับใจเป็นไทยแล้วแต่กายยังไม่ได้เป็น เพราะข้อตกลงตามสัญญาแรกคือจะผูกมัดจองตัวกันด้วยการจดทะเบียนถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมสละว่ากันโดยกฎแห่งกรรมเขายังมีสิทธิ์อยู่เว้นแต่จะใช้ข้อกฎหมายมาถอนความเป็นเจ้าของนั้นได้เช่นฟ้องหยา่าด้วยเหตุที่อีกฝ่ายมีความผิดไม่รับผิดชอบหรือถือใบทะเบียนไว้ด้วยเจตนาช่อชนเรียกว่าผูกกรรมกันด้วยกฎหมาย ก็ต้องถอนกรรมกันด้วยกฎหมายซะให้ถูกฝาถูกตัวก่อนมิฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นที่คอรหาของชาวโลกได้